เราต่อไปนี้ตั้งใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือน9ปีสีเข้าพรรษามาก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนกับเจวันเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราในพรรษาทุกวันพระก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในพรรษามากตามสมควรในท้องถิ่นของพวกเรา นับว่าพวกเราให้ความสนใจในธรรมะปฏิบัติตั้งแต่เมื่อเช้าคือทาบุญทำทานตักบาตรจากนั้นก็สมาทานศีลตอนเย็นก็ไหว้พระทาวัดเย็นตอนนี้ไปก็จะได้ฟังสัมมนยกถาที่หลวงพ่อจะบรรยายแนวความคิดต่างๆให้พวกเราได้รับรู้รับทราบจากนั้นก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ นั่งภาวนาตามขั้นตอนต่อไปพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเราเกิดมาแล้วตายไม่เป็นพวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราเชื่อมั่นว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเกิดมาแล้วตายแน่นอนตายแล้วไม่ศูน์อีก พราะนั้นทำให้พวกเราท่านทั้งหลายไม่หยุดอยู่เพียงแค่ใดแค่หนึ่งให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ณสถานถิ่นใดที่ใดพวกเราก็ไม่เด็นนิ่งดูได้ขนขวายสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอยู่ตลอด เพราะว่าพวกเราศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปปุลคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงได่อุตสาหพยายามมาให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าพวกเราไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นพวกเราออกมาปฏิบัติอย่างนี้ก็มาด้วยความยากลําบากเพราะว่าก่อนที่จะออกจากบ้าน มองดูแล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่จะออกมาจากบ้านจากเรือนเปลี่ยนถินเปลี่ยนฐานเปลี่ยนที่พักพาอาศัยไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะว่าออกเดินทางกลางค่ำกลางคืนอย่างเนี้ยไม่ใช่ของสนุกสนานเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรแต่ทั้งยังไงพวกเราจึงเสี่ยงก็เพราะว่าเป็นการสั่งสมบุญเป็นการสั่งสมกุศลอาศัย ได้ยินได้ฟังแล้วก็อาศัยการประพฤติธปฏิบัติธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยแต่ว่าพวกเราอยู่ในบ้านในเรือนเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอยู่ตลอดเราก็ไม่ได้อะไรในชีวิตของเราแต่ถ้าว่าพวกเรามาอย่างนี้ถึงจะทุกข์ยากลำบากเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าการเป็นอยู่ด้วยวจิตใจของเราได้รับความอบอุ่นและสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะนั้นพวกเราจึงได้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมได้เสียสละความสุขในการเป็นอยู่ได้ออกมาพักในวัดวาศาสานาเพื่อจะได้ฟังธรรมคําสั่งสอนหรือจะได้ประพฤติธปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติถึงจะเป็นช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งก่อนนับว่าเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มีคุณค่าสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นวันๆแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่เป็นวันๆไปแล้วถึงจะปฏิบัติธรรมได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่เลือกการสถานที่ปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าว่าพวกเราไม่ได้มาฝึกฝนเรื่อยๆไม่ได้เข้ามาศึกษาเรื่อยๆถ้าเราอยู่อย่างนั้น อีกสักวันหนึ่งกิเลสก็ลุ่มล้อมเข้าสู่ใจของเราทำให้เราเมื่อดบอดลงได้ง่ายๆเหมือนกันทำให้เราไม่เชื่อทำให้เราลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆเพราะนั้นเราจึงได้เสียสละเวลาเวลาออกมาอย่างนี้เพื่ออาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็พยายามไล่กิเลสความโลภความโกรธความหลง ของเราได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังจากนั้นเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดถึงการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นอยู่ในโลกมีหลากหลายพิษภัยหลากหลายแนวความคิดหลากหลายเหตุผลหลากหลายคุณงามความดีสรุป ก, ก็คือหลากหลายทั้งสิ่งดีและสิ่งชั่ว ทางชั่วก็หลากหลายเหมือนกันทางดีนี่ก็หลากหลายเหมือนกันแต่เมื่อเราจะเอาชนะความชั่วได้จะไหลไปสู่ความดีนั้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ อ, อาศัยการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังความหลากหลายของเรามันชอบจะไหลลงไปในทางตําคือทางกิเลกกิเลสดึงลากถูไถลงไปและใจของเรากับ ติดอยู่ในทางนั้นอีกซิด้วยเพราะนั้นไหลลงไปได้ไ ง, ง่ายง่เมื่อไหลลงไปแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นก็คือ ค, อความทุกข์ที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเราไม่ได้กำจัดออกไปใจตรงนั้นก็จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดผูดได้อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรามองเห็นแล้วว่าการเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นผลดี พวกเราก็ควรจุดพยายามปรับปรุงการเป็นอยู่ของเราความคิดของเราในทางที่ดีพยายามปรับปรุงกายใจของเราตามแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนในหลักพระธรรมท่านสั่งสอนอย่างไรจากนั้นครูบาอาจารย์หือว่าเทปหนังสือที่พวกเราได้ศึกษาก็จะได้นำมาอ่านมาศึกษาทาให้จิตใจของเราสูงส่งขึ้นไปตามลาดับลาดับ พนันการศึกษาธรรมะให้เขาบอกเอาแสงสว่างหรือเอาปฏิเข้ามาณสองทางสองใจของเราใจของเรานั้นถ้าจะว่าไปแล้วตัววิชาอยู่ในใจของเราคือความมืดบอดมันยังมีอยู่แต่จะมืดมิดปิดตาเฉลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่มีการสนใ จ, จเลยท่าว่าปฏิเสธทั้งหมดบาปุลคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ อันนั้นแปลว่าตัววิชาปิดความคิดของพวกเราอย่างหนานแน่นมองไม่เห็นคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเรายังเชื่ออยู่ในใจว่าบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มีจริงพวกเราก็พยายามตะเกียกตะกายพยายามสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจของเราก็จะพบแสงสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดเพราะด้วยศรัทธาคือความเชื่อของเรา เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วจิตใจของเราก็ได้รับความสุขความเย็นใจในจิตในใจแต่ถ้าวมาพวกเราท่านทั้งหลายปฏิเสธอย่างนั้นคิดว่าจะมีความสุขในจิตใจพอปฏิเสธเข้าจริงๆมันก็ถ้าว่าใช้ความคิดดูแล้วมันก็ไม่เชื่อมั่นเหมือนกันว่าปฏิเสธอย่างนั้นมันถูกต้องทั้งหมด เว้นเสียตว่าใจของเรามุดทะลุหตว่าใจของเราไม่ยอมรับเหตุผลต่างๆเพราะว่าสิ่งในโลกนี้มันก็มีอยู่สองอย่างดํากับขาวให้โลกพวกเราเห็นแต่หากว่ามีจังว่าสีเทาสีเทาคล้ายๆกับว่าไม่ชัดเจนแต่โดยมากดํากับขาวนึ่คือชัดเจนคือการกระทําการผูดการคิดของพวกเรามันมีอยู่สองอยู่ในจิตในใจของพวกเรา กิเลสกับธรรมสรุปลงไปในนั้นถ้าว่ากิเลสเข้าไปบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปในทางกิเลสถ้าว่าธรรมเข้าไปบัญชาใจของเราก็เข้าสู่ธรรมะมองโลกเป็นธรรมพยายามปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นการเป็นอยู่ในโลกนี้มีห ล, ลายวิธีการ จะทำให้พวกเราตกทุกข์แต่ยากก็มีจะให้พวกเรามีความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็มีเตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับตั้งแต่เกิดจนถึงวันทิ้งขันจนถึงวันละสังขารจนถึงวันตายเพราะนั้นท่านจึงให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือศึกษาธรรมะพระธรรมคาสั่งสอนนำมาประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราใช้ธรรมะเป็นประทีตสองทางถึงยังไงจึงจะลุ่มหลงมัวเมาขนาดไหน ใจของเราก็จะได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นสุขเพราะว่าปฏีบพระพพธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสองทางเดินของพวกเราพวกเราพยายามเดินตามแนวแถวของวิถีพุทธที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนการเป็นอยู่ของเราควรทำตัวอย่างไรปรับปุงแก้ไขกายวาจาใจอย่างไรการเป็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนควรทำตัวอย่างไรสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีศีล มีฮิลิคือความละอายมีโอตปะคือความกลัวต่อบาประจำจิตใจของพวกเราอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราก็จะเดินด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายเกิดมาในโลกนี้มีหลายวิธีเหลือเกินที่จะทำให้พวกเราตกทุกข์ตยากอย่างคาพูดอย่างเดียวก็ทาให้พวกเราเสียหายได้ วิธีการกระทำเขาทำให้แกเราเราก็เสียหายได้วิธีความคิดความคิดผิดก็เสียหายได้วิธีการพูดคนของคนอื่นก็ทำให้เราเสียหายได้อย่างในชาดกในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงค์อยู่ด้วยกันหลายหลายรูปนะพระสงฆ์พวกสัพพวคีชอบยุแย่ชอบซอเสีย การพูดสอเสียดนะัพูดอย่างไรพระสงค์ในครั้งนั้นหาเรื่องเหมือนกันทั้งที่ไม่มีเรื่องเ้าก็หาเรื่องไปเห็นพระกลุ่มนั้นเขาสามัคคีกันดีตัวเองก็เข้าไปพูดว่าท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น ะ, อ, ะอย่างเนี้ยเพื่อจะให้เขาทะเลาะกันแต่ที่พระองค์นั้นก็เชื่อเพราะเชื่อก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันมีเรื่องเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัย ขึ้นมาว่าภิกษุใดก็ตามส่อเสียดภิกษุอื่นต้องปาจิตติให้เข้าว่ายกประเด็นที่ไม่เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วทำให้ทะเลาะกันจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้พูดเป็นชาดกขึ้นมาว่าการส่อเสียดกันไม่เป็นผลดีทำให้โลกได้รับความเดือดร้อนมาแล้วสัตว์สองตัวที่เป็นเพื่อนสนิทกันแต่พอมีตัวที่สามเข้ามาก็ทำให้ทะเลาะกันได้ง่าย จากนั้นพระองค์ก็พูดเป็นชาดกขึ้นมาบอกว่าสมัยหนึ่งมีพวกเลี้ยงวัวฝูงจากนั้นพอเลี้ยงตกหน้าแรงจวนจะเข้าหน้าฝนเขาก็เลยไล่ต้อนฝูงวัวไปส่งเจ้าของเดิมเขาแล้วมีแม่วัวตัวหนึ่งมันเดินไม่ได้เพราะมันมีคันมันมีท้องมันเดินไม่ทันฝูงแต่นายผู้ไล่ต้อนวัวนั้นไม่ได้ดูให้ถีทวน ก็เลยไล่วัวที่เดินไปได้เร็วไปส่งเจ้าของเขาทีนี้วัวแม่ตอนนั้นมันก็เลยดักอยู่ในป่ามันเดินไม่ได้จากนั้นต่อมามีราชสีตัวเมียอีกตัวหนึ่งพอมาเห็นแม่วัวตอนนั้นก็ถูกกันทั้งที่สัตว์สองตัวมันจะกินกันนะแต่พอมาเห็นกันมันก็รักกันทีนี้อดีตชาติคงจะเคยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มาเกิดข่าวเนี่ยตัวหนึ่งเป็นราชสีตัวหนึ่งเป็นวัวว่างั้นเถะ ต่อมาวัวกับราชสีสองตัวนั้นมันก็เป็นมิตรกันราชสีตัวนั้นก็มีคันเหมือนกันมีท้องเหมือนกันวัวตัวนี้ก็มีท้องเหมือนกันต่อมาก็เลยวัวก็คลอดลูกเป็นวัวราชสีก็คลอดลูกเป็นราชสีเป็นสิงโตนะราชสีต่อมามันก็เลี้ยงลูกด้วยกันลูกวัวก็เป็นตัวผู้ราชสีก็เป็นตัวผู้เหมือนกัน พอต่อมันวัวกับราชสีนี่เป็นเพื่อนกันอีกพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยกันจากนั้นไปที่ไหนก็ไปด้วยกันหากินตามลานหญ้าไปที่ไหนก็ไปด้วยกันวัวกับราชสีวัวผู้ใหญ่ตัวนั้นกับราชสีแต่นี้มีนายพรานของพระเจ้าพร ม, มทัศเข้าไปหาของป่าหรือไปหาพวกปลาสัตว์อะไรก็ตามเมื่อได้ของป่าแล้วก็นําอาหารไปถวายพระเจ้าพระเนรศีพระเจ้าพ ม, มาทัศ พระเจ้าพ ม, มาทัดก็ถามมาเออนายพรานแกเข้าไปในป่าไปเห็นสัตว์ป่าไปเห็นที่ป่าสิ่งไหนบ้างที่เป็นอัศจรรย์อยู่ในป่าดงพงไพเรือกอย่างนั้นเล่าให้เราฟังดูสินายพรานก็เห็นสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือราชสีห์กับบัวผู้ตัวใหญ่เท่นั้นน่ะเป็นเพื่อนกันทั้งที่มันจะกัดกันกินกันราชสีห์กับบัวแต่มันเป็นเพื่อนกันนายพรานก็บอกว่า ก็ผมเห็นสิ่งที่อันตรจั์ก็คือสิ่งที่แปลกที่สุดในความรู้สึกก็คือเห็นวัวกับราชสีมันเป็นเพื่อนกันไปที่ไหนไปด้วยกันหากินด้วยกันเป็นเพื่อนกันแบบสนิทสนมกันเข้าเคลียร์กันเออเอาข้างถูกันเล่นเออลักษณะอย่างนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ทําไมสัตว์สองตัวนี้มันจึงถูกกันเหลือเกินพระเจ้าแผ่นดินก็เลยพูดขึ้นมาว่านายพราน ชัดสองตัวนั้นคงจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ถ้าว่ามีตัวที่สามเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ระวังและมาบอกเราด้วยทีนี้ก็ต่อมาอีกไม่นานหมาจิ้งจอกเข้าไปในสองตัวนั้นเข้าไปทีนี่กบไปสนิทสนมกับพระศรีด้วยไปสนิทสนมกับวัวผู้ตัวนั้นด้วยทีนี้พอไปสนิทสนมกันได้ทีแล้วหมาจิ้งจอกเออข้าในใะจจะกินเนื้อวัวมันจะอร่อยไหม แล้วกินเนื้อราชสีด้วยมันจะอร่อยไหมอหมสองสัตว์เนี่ยเราไม่เคยได้กินมาก่อนเพราะเป็นสัตว์ใหญ่แต่เราได้กินแต่พวกหนูกระต่ายเป็นอย่างนั้นแต่เนื้อวัวกับเนื้อราชสีในเรายังไม่เคยกินดวาเราจะพูดยุแยงพูดสอเสียดให้มันทะเลาะกันแต่เด็กเขาไปหาวัวบอกว่าวัวราชสีพูดให้ท่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะบวกโมโหขึ้นมาเลย จากนั้นก็ไปพูดให้ราชเสด็จสีฟังอีกราชเสด็จสีไ hey, อวบัวเนี่ยไว้ใจไม่ได้เนี่ยต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ท่านอีกผลที่สุดบัวกับราชเสด็จสีก็เลยแครงใจกันไอ้ hey, โมโหให้กันจากนั้นไม่นานพอเห็นหมาจิ้งจอกเข้าไปเป็นตัวที่สามนายพานก็จับตาม้องเอ๋พระเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวที่สามเข้าไปแล้วมันจะมีเรื่องนะมันอืม นายพานะี่ก็เลยไปทูลให้เจ้าแผ่นดินทราบระเจ้าแผ่นดินผมมาท่านก็โอ้ไม่นานนะเดี๋ยวสัตว์สองตัวมันจะทะเลาะกันเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวนี้แหละอ mm hmm. เลยเทียมมา้าเทียมรถม้าขึ้นไปวิ่งเข้าไปในป่าพอไปที่ไหนได้ไอ้วัวกระราเสีนะ่ัดกันแล้วว่างั้นเถอะขีดกันอย่างอุตรุดตายทั้งคู่ว่างั้นอะตายทั้งคู่ไม่มีใครแพ้ใครชนะใคร ผลที่สุดหมาจิงจอกก็เลยกินทั้งเนื้อบวัวกินทั้งเนื้อราชเสือมันตายติดกันข้างๆกันเหมือนกันเนี่ยพระมันชนกันแล้วมันตายอราชเสือก็ตะปบกัดบัวเหมือนกันแวัวก็ชนราชสือเี่ยเพราะมันขู่ขีกันมันใหญ่มันด้วยกันผลที่สุดไหมาจิงจอกตอนนั้นก็เลยกินทั้งเนื้อบวัวกินทั้งราชเสือพระเจ้าผพนดินท่านก็เลยไปเห็น เ, เราคาดคิดไปแล้วไม่ผิด วัวขาราชสีการเป็นอยู่แลว้วจะมันหวงตัวเมียก็ไม่ใช่เพราะวัวก็คือวัวตัวเมียราชสีก็คือราชสีตัวเมียอาหารก็แตกต่างกันอีกอาหารของราชสีก็คือเนื้อสัตว์อาหารของวัวก็ยากไม่ใช่จะแย่งกันในเรื่องอาหารไม่ได้แย่งกันในเรื่องเพศแต่มันชนกันจนตายเพราะ หมาจิงจอกตัวนี้เป็นผู้ยุแยงแน่ๆอันนี้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินท่านสันนิษฐานจากนั้นท่านก็ได้เอาเล็บเอาหนังของตัดสีกลับไปเวียงหวังแต่นี้ท่านก็มาพูดถึงประมวลชาดกขึ้นมาว่าการพูดส่อเสียดกันยิ่งกว่าค่มมีดโกนเพราะฉะนั้นให้ระวังการพูดส่อเสียด ที่เขามาพูดให้แก่เราเราก็ต้องดูเสียก่อนว่ามีจุดประสงค์อะไรในการพูดเพราะนั้นจะเป็นเราไปอยู่ใสถานถิ่นใดก็ตามจะเป็นคราวญญาติโยมจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นใครๆก็ตามเวลามีคนมาพูดสอเสียดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนั้นเราดีอย่างนั้นเรานี่ดีกว่าเขาอย่างนั้นคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นทําให้แก่เราอย่างนี้ เราต้องฟังต้องเป็นผู้หนักแน่นถ้าว่าพวกเราเป็นผู้แยกแยะออกผู้นั้นเหมือนกับไปสู่สวรรค์ถ้าว่าเราแยกแยะไม่ออกไปถูกตามความยุแยงของเขาหรือการส่อเสียดของเขาผู้นั้นเหมือนตกนรกทั้งเป็นหาความสงบสุขไม่ได้อันนี้นิทานเรื่องนี้ท่านสอนท่านสอนให้แยกแย่ให้ใจหนักแน่นให้แยกแยะในคาพูดในการส่อเสียด อันนี้คื อ, ค, อคำส่อเสียดไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาแต่เป็นลมปะแตทำให้จิบหายทั้งสองข้างได้เหมือนกับบัวและลัด ส, สีที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนมนานปุณิสุก็เลยประหัดประหารกันตายทั้งคูนะ่เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลาย ท, ทุกท่านนะที่เป็นฝ่ายพระพอดีจะเป็นฝ่ายญาติโยมพอดีนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการส่อเสียด การที่จะยุยงส่งเสริมให้คนสอเสียดซึ่งกันและกันให้ระวังเป็นพิษภัยร้ายแรงยิ่งกว่าคมมีดโกนอีกที่ตัดให้ความสัมพันธ์ของเรากระเด็นไปคนละทิศละทางกันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าการส่อเสียดผู้ไม่เจตนาดีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ชาดกนั้นเป็นเครื่องสอนจิตใจของพวกเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันอามาพูดถึงเรื่องนี้ หลวงพ่อได้ยินสมัยอยู่กับองค์หลวงตาหลวงตาท่านบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังที่ผูผานทางคําชอีไปทางนู้นน่ะท่านบอกว่ามีเสือโค้งกับหมูป่ามันมีทางลงทางเดียวในหลังเขาในหลังเขามันเป็นหลังเขากว้างและมีทางลงมีช่องเดียวและทีนี้หมูป่ามันก็เดินขึ้นมาเสือโค้งมันก็เดินลงไปในล่องหินนั่น มันลงไปในร่องหินมั้งั้นเถะมันเป็นล่องอยู่แคบๆเหมือนกับหินแตกอย่างนั้นอ่ะพอลงไปไปเจอกันเสือข้องกับหมูป่าเจอกันไอ้เสือข้องเนี่ก็มันก็มันก็พอตัวเหมันกันไอ้หมูป่านี่ยมันก็เคี้ยวของมันมันก็ว่าพอตัวเหมือนกันผลที่สุดไม่มีใครถอยใครมั้งั้นเถะในสองตัวพอไปเจอกันก็ซัดกันในล่องหินนั่นแหละมั้งนั่นเถอผลที่สุดก็ตายทั้งคู่ ไอเสือโค้งก็ขึ้นมาตายพลนหินมาไอหมูป่าก็ลงตายอยู่ข้างๆนะเนยสรุปแล้วก็คือตายทั้งคู่นี่แหละทิฏฐิคือความเห็นไม่ยอมถอยถ้าหมูเห็นเสือแล้วก็เออหมูก็ถอยเสือก็ถอยเหมือนกันนั่นก็คงจะไม่มีเรื่องอั น, นี้นก็หมูกะว่าฆ่าเนี่ยไม่ยอมใครเหมือนกันไอเสือเนะะี่ยก็ฆ่าไม่ยอมใครเหมือนกันก็เลยเข้าไปสู้กันในร่องหินเหมือนกันแตะ หินแตกผลที่สุดตายอันนี้คนเขาเห็นเขาพูดนะอันนี้ก็เป็นคติตัวอย่างเหมือนกันสรุปแล้วก็คือการสู้กันหรือการทะเลาะวิวาทกันไม่มีใครแพ้ใครชนะเจ็บทั้งคู่ถึงจะชนะก็เถอะนะก็สบักสบอมไปเหมือนกันนะทาไม่ันนั้นก็ตายทั้งคู่เพราะเหตุอะไรเพราะเรื่องความไม่ยอมกันนะเรื่องทิฏฐิมานะ เพนั้นท่านเรื่องว่าทิฏฐิมานะไม่เป็นผลดีทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างถ้าเข้ามาทั้งสองอย่างทิฏฐิคือความเห็นมานะแข็งกระด้างเข้าไปหากันแล้วมีตะปาหัสประหารจึงกันละกันบรไเลงทั้งสองข้างไม่มีใครแพ้ใครชนะเรื่องกิเลสมังนงั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายเป็นชาวพุทธพุทธมามะกะพุทธบริษัททุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรา การเป็นอยู่ให้อภัยกันไว้ดีที่สุดมีเมตตาอยู่ในจิตในใจไว้ดีที่สุดเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังสิ่งไหนจากใครก็ตามก็พยายามทาใจให้หนักแน่นเอาไว้อย่าไปใจเบาอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่อคนง่ายจนเกินไปศรัทธาความเชื่อก็จริงอยู่ให้เชื่อแต่จะไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ ให้เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเพราะนั้นแยกแยะให้ออกสรุปแรกก็คือให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุและผลถ้าพวกเราใช้ปัญญาพิจารณาเหตุและผลแล้วพวกเราไปอยู่ณสถานถิ่นใดที่ใดชุมชนใดกลุ่มใดประเทศใดเราก็จะเอาตัวรอดได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้รู้จักสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆจะทํายังไง จึงจะเอาตัวรอดได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดคำนี้แย่เขาจะเหยียบจําทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเอาตัวรอดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นกิเลสทั้งดุ่นเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงเขาก็ไม่เสียหายเราไม่เสียหายอยู่ด้วยกันอันนั้นแปลว่าเรามีปัญญาเอาตัวรอดได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือการคลองตัวและการเป็นอยู่ของตัวเองนะ เพราะดันสิ่งเหล่านี้พวกเราก็มนุษย์โลกหนึง่งมันต้องไม่เจออย่างหนึง่งมันก็ต้องเจออย่างหนึ่งแต่บางคนจะเจอมากและเจอน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่บางคนเจอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ความคิดประหรัตประหารเข้าไปนั่นแหละความพินาศเพื่อจะเกิดขึ้นตัวเองก็อยู่ไม่ได้อีกแต่ถ้าว่าพวกเราใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญาเข้าเป็นเครื่องประปรุงแก้ไข การเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆพวกเราก็จะพ้นพิษภัยจากมวลมนุษยชาติก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละการเป็นอยู่ในโลกมีพิษภัยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นมันลากหลายเหลือเกินวรางั้นสรุปแล้วมันลากหลาลากหลแนวความคิดลากหลายพิษภัยลากหลคุณงามความดีนานาจิตตังนานาทัศนะแต่ถึงยังไงก็ตาม โลกนี้มันลากหลายอย่างเนีเนะพราะพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะเกิดอีกเกิดความเบื่อหน่ายคลายจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดอีกนะนี่แหละที่ย้อนมาถึงด้านจิตใจแล้วทีนี้พอมองเห็นแล้วถึงจะเกิดภพหน้าถาัดหน้ามันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มากก็ต้องน้อยเพราะฉะนั้นท่านจะทํายังไงจึงจะไม่เกิดอีกนะพระพุทธเจ้าจึงส่อแสวงหาทางที่ไม่เกิดนะจะทํายังไงจึงไม่เกิดนี่แหละจุดนี้ ที่พวกพูดกันจะไปบำเพ็ญทดลองทดสอบเป็นเวลาถึงหกปีที่โคนต้นโพนะจากนั้นได้บรรลุธรรมนั่งสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิน่นะนะพยายามดูใจของตนเองไม่ให้ส่งจิตส่งใจเอกไปข้างนอกทําให้จิตใจนิ่งทําให้จิตใจสงบไม่ทําให้จิตใจปุ่งฟุ้งซ่านในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วจากนั้นนาจิตใจที่นิ่ง นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นในร่างกายของเรามีอะไรบ้างแยกส่วนแบ่งส่วนดูดูให้ดีดูด้วยสติดูด้วยปัญญาดูด้วยความคิดพินิษฐพิเคาะให้รอบขอบ ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างและจะยืนนานไปสักเท่าไหร่เราวิเคราะห์ดูให้ชัดเจนในเมื่อใจเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็คือใจกายก็คือกายถิ่นเมื่อเราเห็นแล้วว่าร่างกายนี้มันของไม่มั่นคงแล้วเราจะไปยึดอะไรมากมายนักหนาจากนั้นเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่จิตใจของเราก็เบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่น นี่แหละเป็นหนทางที่พวกเราจะไม่เกิดแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่พิจารณาถึงจุดนี้แล้วเอามันเอามันเอามันอยู่ในใจตลอดออโลกนี้มีความสุขโลกนี้น่าอยู่อยู่อย่างนั้นอยู่ในใจตลอดพวกเราจะไม่มีวันเบื่อหน่ายจะไม่มีวันคลายพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่พวกเราพิจารณาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านได้บอกกล่าวไว้แล้ว ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นของไม่มั่นคงนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องจากจะต้องจำใจจากนะใจจะต้องจากร่างกายนะแน่นอนนะไอ้ ใ, ใจตรงนี้จะต้องออกไปออกจากร่างแน่นอนเมื่อออกจากร่างแล้วไม่แน่นอนเหมือนกันว่าจะไปในในทิศ ท, ทางใดเอพ้อะนั้นต้องพิจารณาให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะใจนะอย่าลุ่มโร่งจนเกินไปนะถ้าเราพิจารณาอยู่ปันน้โอปัยโก พิจารณาตัวเองอยู่อย่างนี้ดูดใจตัวเองอยู่อย่างนี้ใจของเราจะไม่รุ่มโงไม่มัวเมาจากนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นความเกิดความดับของจิตใจใจของเราก็เกิดดับเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันกันไม่ใช่ว่าของมันมันม่นคงในใจเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี้ปรุงนั่นปรุงนี้กิเลส ค, ความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันเกิดมาจากไหน มันออกมาจากใจทั้งนั้นแต่มันก็ปล่อยออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันปล่อยกิเลสออกไปจากนั้นกัมันก็รับออกมาจากภายนอกเข้ามาอีกทางประตูหน้าต่างของมันเออทางหน้าต่างของมันหน้าต่างของจิตของใจเข้ามาทางตาบางทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามาหาสู่ใจอีกใจออกไปแล้วก็ใจก็ส่งไปอีกเออเปิดประตูหน้าต่างออกไปอีกไปดูกิเลสราคะโทสะโมหะอีก จากนั้นรับเข้ามาอีกมันส่งหมนุนวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะสรุปแล้วก็คือร่างกายเป็นหน้าต่างของใจเห็นผู้นั้นพวกเราปิดประตูหน้าต่างซะเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้รูปแต่สักว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเสียงสักว่าเสียงเสียงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากลิ่นสักว่ากลิ่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่สักแต่ว่า อจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละท่นี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะต้องปล่อยวางจิตใจมันก็จะว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างอยู่ในใจปล่อยวางอยู่ในใจจากนั้นใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเราจะดุดพ้นจากกิเลสราคะโภชโมหกิเลสราคะโภชโมหก็จะไม่เข้ามาสู่ใจของเราได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไงคราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ อันนี้แหละขนทางที่ไม่เกิดยทางว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านั่น อ, อาจจะเป็นราาสีอาจจะเป็นวัวอย่างที่ว่านจะต้องตกอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะคร อ, อบงําไม่พบใดก็ต้องชาติหนึ่งเพราะนั้นพวกเราพบในชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่า เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรายิ่งใหญ่ทีเดียวเป็นผู้มีบุญวาดสนามบารมีพวกเราก็ไม่ถึงจะ ต, ตกทุกข์ได้ยากพอเป็นพอไปพออยู่พอกินตามอัตภาพแล้วก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าพวกเราทําดีแล้วภพของเราภพนิชาตินี้เราทําดีแล้วภพต่อไปชาติต่อไปก็คงจะ ดีทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบุญด้วยกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าตามไม่จริงไม่มาเกิดนั่นแะดีที่สุดเอาให้หลุดพ้นในภพนี้ชาตินี้ซะให้จบไปเลยอันนั้นอ่ะดีที่สุดแต่พวกเราจะเวียนไห้ตายเกิอดอยู่ก็เอาอย่างน้อยก็ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอีกสักวันหนึ่งบุญกุศลของเราก็จะนาทาง เดินสู่วัฏฏะสงสารถึงจะเวียนไายตายเกิดก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเราคือบุญกุศลเกิดพบใดภูมิใดกบุญกุศลเป็นเครื่องปกป้องเป็นเครื่องรองรับพวกเราก็จะได้รับความสุขความสบายใจในอัตภาพที่พวกเราได้เกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้อไม่มีบุญไม่มีกุศลเกิดมาพบใดชาติใดก็ มีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะนี่แหละแต่ถึงยังไงยังไงก็เอาไม่ให้เกิดน่าจดีที่สุดจะทำยังไงเอ่อแต่มันก็ยากนะเออไม่ใช่ง่ายง่ายตัดกิเลสตอนนี้ไม่ใช่ของง่ายง่ายเออแต่ว่าถึงยังไงก็ตามไม่เหลือวิสัยพราะพระไตรปิฎกท่านบอกอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงนะพยายาม ดูจิตดูใจพยายามดูกายดูใจตัวที่จะพาไปเกิดเกิดใจนั่นแหละถ้าชำระใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละมันจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอี ก, กรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหลุดลอยออกไปเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงจนสมมุติเทียบไม่ติดงั้นสมมุตไมิไปได้ว่าคืออะไรมีแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านเองนะว่าหมดกิเลสแล้วผู้บริสุทธิ์แล้วนอกเหนือจากสมมุติแล้วนั่น่ะ การพูดการแสดงทาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควราตอนนี้ไปนั่งสมาธินาะทีนี่นะ